เพราะการกล่าวอวดอุตริมนุษยธรรมที่ไม่มีอยู่ไม่เป็นจริงเป็นปัจจัยต้องอาบัตสามอย่างเหล่านี้ปาราชิกสี่สิกขาบทจบ